คำว่าบารมีเต็มเปี่ยมก็คือมีการฝึกฝนตัวเองเนี่ยนะมีการอบรมเพราะว่าบารมีทั้งสิบเขาเรียกว่าภาวิตัตาเป็นธรรมที่อบรมจิตกล่อมกลาจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เมื่อพบเห็นพระพุทธเจ้าท่านจึงทุ่มเทในการทําบุญอย่างเต็มที่เนี่ยนะเพราะว่า อัธยาศัยที่น้อมไปในบาปของท่านเนี่ยน้อยเต็มทีอย่าลืมว่าอัธยาศัยของท่านเนี่ยน้อมออกจากบาปประธรรมโดยส่วนเดียวแล้วก็อัธยาศัยน้อมออกจากภพทั้งหลายโดยส่วนเดียวเมื่ออัธยาศัยน้อมออกจากภพอยู่แล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้มีความอะไรอววรอะไรในภพแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรที่ทําบุญได้ก็ทำทำทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะพอทําบุญได้ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าประทุมุตระก็ พยากรพยากรพระโพธิสัตว์ว่าอีกแสนกับนับแต่นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตออกอภินิษกรสกออกบวชจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมตั้งความเพียรทำทุกร์กิริยา6ปีมั้นพระตถาคตประทับนั่งนักโคนต้นอชาปาระนิคโครอรับเข้ามาทุปายญาณณนะที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชรา พระชินเจ้าพระองค์นั้นสวยเข้ามาทุปาหญ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพพฤกจากนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกะระทำประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรูณโคนโรพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรูชื่อว่าต้นอรรถถัสสัทธะท่านผู้นี้จะมีพระพุทธมารดานามว่าพระนางมายาพระชนกนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะ ท่านผู้นี้จะมีนามตามโคตว่าโคตมะอัครส า, าวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสฐ์ผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระอานันท์จกบำรุงพระชินะผู้นี้อัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่น พอพลิต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศถะอักระอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถะอัลวกะอักขระอุปถายิกาชื่อว่านันทามาตาและอุตตราพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจักมีพระชนมายุร้อยปีของเราผ่านมา 2,500 กว่าปีก็อายุใขกระโดดลงมานะ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพอได้ฟังพระดํารัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพู้ทางโกนแปลว่าเชื้อสายแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าอนาคตอีกแสนกับเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ยังนึกหนึ่งว่าไอ้ตอนนั้นพวกพระอา น, นุ์พระมหากระสปะพระอนุรุทธานเนี่ยได้พบเห็นพระโพธิสัตว์บ้างหรือเปล่านะยังนึกในใจ นะหท่านเจอกันแต่ท่านไม่ได้บอกเราอะนะ mm hmm. หมื่นโล ก, กธาตุทั้งเทวโลกก็พากันโห่ร้องปรบมือหอัวร้อร่าเริงประคองอัญเชลีนอบน้อมกล่าวว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดคําสอนของพระโลกกนธาพระนามว่าปทุปมุตตรพระองค์นี้ไสในอนาคตตการพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้แหละคือพระสมณโคดมพระองค์นี้แหละของเรานี่ ไม่ได้เห็นหน้าเลยอดเลยตอนนั้นไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยเนี่ยนะคนอื่นเขาทาอะไรใส่เราเผลอมากเลยนะนึกนะพระพักก็ยังไม่ได้เห็นเลยเห็นแต่เห็นแต่พระรูปเห็นแต่พระรูปไปก่อนก็แล้วกันคิดแล้วก็น้อยใจนะทําบุญมาน้อยก็อย่างนี้เลยเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายข้ามแม่น้ําพลาดจากท่าน้ําข้างหน้าก็ถือเอาท่าน้ําข้างหลังข้ามแม่น้ําไปฉันใด พวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าพลาดพ้นจากพระชินพะพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระพระองค์นี้ไซในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อนหน้าท่านผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกันพระโพทธิสัตว์ที่ชื่อว่าชดินผู้ปกครองรัฐฟังพระดํารัสของพระองค์แล้วก็อธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นไปทําความเพียรอย่างมั่นคงอย่างยิ่งเพื่อบําเพ็ญบารมีสิบให้เต็มบริบูรณ์เนี่ยนะ บรกว่ายิ่งบอกว่าใกล้จะเป็นพระราชามาเท่าไหร่ก็จะรวบรวมอริยทรัพย์รวบรวมบา ร, รมีรวบรวมพุทธธรรมรวบรวมโพธิปัจจะธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าให้เข้มงวดยิ่งขึ้นไปฉะนั้นเหมือนอย่างว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะที่ยิ่งได้ข่าวว่าตัวเองใกล้จะเป็นพระโสดาบันเข้ามาเท่าไหร่ก็จะเร่งความเพียรมากเท่านั้นอย่างพระอนนท์เนี่ยพอรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนเร่งความเพียรมากกว่าเดิม ฐันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพอรู้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วก็อีกไม่นานสักเท่าไหร่ก็เร่งสร้างความเพียรในการให้ทานรักษาศีลเจริญเนคคัมมะอบรมปัญญานะเจริญวิริยะมีขันติมีสัจจะอธิษฐานประกอบไปด้วยเมตตาเจริญอุเบคาอย่างไพูโบ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นครั้งนั้นนะมีศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นีแหละดีรถีศูนย์พันา ครั้งนั้นพวกเดรัจฉีทั้งหมดก็มีใจผิดปกติมีใจเสียถูกกําจัดความถือตัวและความกระด้างแล้วบุรุษบางพวกของพวกเดรัจฉีเหล่านั้นไม่ยอมบำรุงบำเรือก็ขับไล่เดรัจฉีเหล่านั้นออกไปจากรัฐพระราชาในครั้งนั้นเนี่ยนะเป็นพระราชาที่เอาจริงเอาจังมากถ้าบอกว่าแกนอกาศาสนาเหรออ่านะไม่นับถือพระพุทธเจ้าบอกออกจากแว่นแคว้นนี้โดยดีวั้น พวกเดรัจฉีเหล่านั้นทั้งหมดก็ประชุมกันในที่นั้นไปที่สำนักของพระพุทธเจ้าทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระมหาวีระขอพระองค์โปรดเป็นสารณะด้วยเถิดเดรัจฉีเนี่ยหมดที่พึ่งหมดที่ไปเพราะพระราชาขับไล่นี้หมดอนะ่ะก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังนะถึงพระองค์เป็นสารณะพระประทุมุตระผู้เอนดูมีพระกรุณา สแสวงหาประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงทรงตั้งเดรัจฉีที่ประชุมกันทั้งหมดไว้ในศินห้านะเปลี่ยนลทัทธิให้มานับถือสินห้าได้หมดเลยาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นไม่วุ่นวายอย่างนี้ว่างเปล่าจากเดรัจฉีทั้งหลายงดงามด้วยผ้าหั่นทั้งหลายผู้ชำนาญผู้คงที่ พระอรหารทั้งหลายชำนาญในวัตสีทั้งห้าในพะละสมาบัติทั้งหลายและก็เป็นผู้ที่คงที่ในอารมณ์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศเป็นต้นพระปทุมุตระศาสดาทรงมีพระนครชื่อว่าหังสวดีพระชนกพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าอาันทะพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุชาดาพระองค์ครองคารวะวิสัยอยู่เกพปีมีปราศาสตรสมหลังคือนาี พาหนะและก็ยาสวดีมีพระสนมนารีเนี่ยนะหญิงฟ้อนราที่แต่งกายงามจำนวนสี่หมื่นสามพันนางมีอัคราเหสีพระนามว่าพาาระนางวสุละทัตตาพระโอรสขนานามว่าพระอุตระพระผู้เป็นยอดบุรุษทรงเห็นนิมิตสีเสด็จออกอภินีสกลด้วยปราสาท ต, ตั้งความเพียรเจ็ดวันโอ้พระองค์ก็เก่งมากเลยนะรวบรวมโพธิปัจธรรมเจ็ดวันเนี่ยนะมีบุญมาก พระมหาวีระปทุมุตระผู้นำพิเศษผู้สงบอันเท้ามหาพรมาราธนาทรงประกาศพระธรรมจักรณพระราจุทยานมิถิลาอันสูงสุดพระปทุมมุตระศาสาศดาทรงมีพระอัคราสาวกชื่อว่าเดวีละแล้วก็พระสุชาตาิพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระสุมานณะพระอัคราสาวิกาชื่อว่าอมิตาและอสมาพอพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้เรียกว่าต้น ต้นสละละเนี่ยนะต้นช้างนาวอัคระอุปถาคชื่อว่าอมิตะและพระติสสะอัคระอุปถายิกาชื่อว่าหัตถาและกสุ จ, จิตตาพระมหาโมนีสูง58หดศอกมีพระลัษณะอันประเสริฐสาสองประการเช่นกับรูปปฏิมาทองรารสมีแห่งพระสรีระแผ่ไปส2บสองยอดโดยรอบเรือนยอดบานประตูฝาต้นไม้กองศิลา คือภูเขาปิดกั้นพระรสมีนั้นไม่ได้ในยุคนั้นมนุษย์มีอายุแสนปีพระปทุมมุตระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นย่อมยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอกคสงสารพระองค์ทั้งพระสาวกยังชนเป็นอันมากให้ข้ามแล้วตัดความสงสัยทุกอย่างก็ดับขันทัปรินิพานเหมือนกองไฟลุกโลงแล้วก็ดับไปฉะนั้น พระปทุมะพระปทุมุตระชินเจ้าปรินิพานวิหารนันทารามสถูปเจดีอันประเสริฐของพระองค์ณที่นั้นสูงสิบสองโยชน์นะันก็มาดูข้อความในมัทรัดวิลาสีอัตถกถาพุทธวงศ์ปทุมุตระที่สิบบอกว่าศาสนาของพระนารถพุทธเจ้าเป็นไปได้เก้าหมื่นปีก็อันตรธาน นะถ้าโดยอายุขยแล้วาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนนั้นตั้งอยู่ไม่นานเนี่ยนะก็ะมีการสืบทอดกัน2 3รุ่นก็หมดและอย่างมากนะรุ่นก็หมดแลแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตั้งอยู่ตั้20่กว่ารุ่นมาแล้วเนี่ยนะรุ่นมาแล้วต่อไปถ้ายุ้อยปีคั้งทุกคนต่อๆๆก็นั่นแหละเท่าไห้า50รุ่นเนะี่ยนะเยอะมาก กับนั้นก็พินาศไป น, นันนะกับก็ทาลายไปเนี่ยนะตับกับก็เจริญขึ้นเสื่อมธรรมดานะต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติขึ้นในโลกตลอดอสงไขยแห่งกับทั้งหลายแปลว่าหนึ่งอสงไขยไม่มีพูทธศาสนาเลยว่างจากพระพุทธเจ้ามีแสงสว่างที่ปราศจากพุทธเจ้าปราศจากพระพุทธศาสนาจากนั้นเมื่อกับและอสงไขยทั้งหลายล่วงไปล่วงไปในกับหนึ่ง นับถอยหลังนับจากกับนีบ้ถอยหลังไปแสนกับมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้ส่งพิชิตมานปลงภาระมีพระเมรุเป็นสาระไม่มีสังสารวัติมีสัตว์เป็นสาระยอดเยี่ยมเหนือโลกทั้งปวงว่าพระองค์มีพระนามว่าปทุมุตระอุบัติขึ้นในโลกพระพิชิตมารหว่าพิชิตแปล ว, ว่าชนะในชนะมานทั้งห้ากิเลสมาร เทวปุตตมานมัจจุมานอภิสังขารมานและเทวปุตตมานเนี่ยนะพรนะงป ร, ง, ปรงภาระเนี่ยนะปรงภาระคือถอนฉันทราคะในโรคเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถือว่าขันห้าเนี่ยเป็นมหาภาระพระองค์ปรงภาระคือขันห้าด้วยการตัดฉันทราคะในขันห้าโดยไม่มีเหลือ พระองค์ไม่มีสังสารวัตรเพราะสิ้นกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสก็เป็นอันสินนนส้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็เป็นอันสิ้นวิบากเพราะว่าตัดกิเลสแล้วพระองค์เป็นผู้เป็นสัตว์ที่มีสาระมีศีลเป็นสาระมีสมาธิเป็นสาระมีปัญญาเป็นสาระมีวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นสาระก็คือพระองค์เป็นสัตว์ที่มีแก่นในจํานวนสัตว์ทั้งหลายพระองค์ยอดเยี่ยมเหนือโลกทั้งปวงอ่ะนะยอดเยี่ยมในพระพุทธคุณทั้งมวล พระนามว่าปทุมุตระพระองค์บำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสุชาดาเทวีผู้เกิดในสกุลที่มีชื่อเสียงอัครมเหสีของพระเจ้าอาณ น, นธะผู้ทำความบันเทิงจิตแก่ชนทั้งปวงกรุงหังสวดัดีพระนางสุชาดาเทวีนั้นอันทวยเทพอารักขาแล้ว ก่านกำหนดทศมาศก็ประสูติพระประทุมุตระกุมาร ณ, ณพระราจุทยานหังสาวดีในสมัยปฏิสนธิและสมภพก็มีปาฏิหาริเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดังได้สดับมาในสมัยพระราชกุมารพระองค์นั้นทรงสมภพขณะทีะ่ประสูติเนี่ยนะขณะที่พระองค์ประสูติหรือว่าเกิดเนี่ยนะฝนดอกประทุมก็ตกลงมาฝนดอกบัวก็ตกเลยนะ ด้วยเหตุนั้นในวันเฉลิมพระนามของพระกุมารพระประยุระยาทั้งหลายจึงเฉลิมพระนามว่าปทุมุตระกุมารพระกุมารพระองค์นั้นทรงครองคารวาะวิสัยหมื่นปีนนะหมื่นปีแสดงว่าเกิดในยุคที่มนุษย์อายุมากเป็นแสนปีพระองค์มีปราสาทสามหลังเหมาะแก่ฤดูทั้ง3ชื่อว่านรวาวหณนะยะสวหณนะและว่าวสวัสดีมีพระสนมนารีประมาณ แสนสองหมื่นนางมีพระนางวสุทตาเทวีเป็นประมุขเนี่ยนะบางคนบอกโอ้ยสนมนาเรียอะไรจะมากมายขนาดนี้ก็ดูบริษัทบางบริษัทคนก็ตั้งมากมายใช่ไหมบริษัทนั้นก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอะไรสักหน่อยก็ยังมีบริวารตั้งเยอะแยะเนี่ยนะราก็ไม่เห็นว่าแปลกอะไรเนี่ยนะ ania, <ๆ S 1> การที่มีบริวารมากมาย <ๆ S 1> ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเขาบริษัททั่วๆไปธรรมดาเนี่ยก็มีพนักงานเป็นหลายหมื่นว่าบอกบางบริษัทนี่อย่าว่ามีพนักงานหลายหมื่นเอปลดทิง2 0 0 0 0ือย่างเงี้ยนะ ปลดพนักงานที่2 000 0คนเนี่ยแสดงว่าพนักงานมากขนาดไหนนั่นบริษัทเหล่านั้นก็ไม่ใช่พุทธบริษัทซะหน่อยก็ยังมีบริวารมากขนาดนั้นนะนี่ก็พระองค์ผู้สร้างบารมีมาขนาดนี้ก็มีเอ่อเรียกอะไร ม, มีผู้ที่ร่วมบุญกันไม่ใช่น้อยที่ยินดีอนุโมทนานาชื่นชมพระองค์นะเมื่อพระอุตระกุมารผู้ยอดเยี่ยม ด้วยพระคุณทุกอย่างพระโอรสของพระนางวัสุทตาเทวีสมภพแล้วนะเห็นหน้าบุตรแล้วก็เห็นนิมิตสี่หรือเห็นเทวทูตสี่ทูตของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชเสด็จออกพินิสกรมพอพอพระองค์ดําริว่าจะบวชเท่านั้นแหละปราสาทชื่อว่าวาสวัตดีก็ลอยขึ้นสู่อากาศเหมือนจับของช่างหม้อไปในทาง ท้อง อ, อัมพรว่าปร า, าสาทนี่ลอยไปในท้องฟ้าเลยเหมือนเทววิมานและเหมือนดวงจันเพนเนี่ยนะลอยไปอย่างนั้นรำโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้เอาไว้ตรงกลางแล้วก็ลงที่พื้นดินเหมือนปร า, าสาทที่กล่าวแล้วในการพันานาวงของพระโสดพิตะพุทธเจ้าปร า, าสาทลอยเข้าไปใกล้ต้นโพเลยนะมีบุญมากได้ยินว่าพระมหาบุรุษเสด็จลงจากปร า, าสาทนั้น ทรงห่มผ้ากาสายะอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ที่เทวดาคือเท้ามหาพรหมนี่เอามาถวายพระองค์ก็พนวดบวชในปราศาสนั่นเองส่วนปราสาสก็กลับมาตั้งอยู่ในที่ดั้งเดิมของตนปราสาสไปส่งแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเลยนะบริษัททุกคนที่ไปกับพระโพธิสัตว์ก็พากันบวชเว้นพวกสตรีอดบวชเลยพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียร7วันน่ะนะ พร้อมกับผู้บวชเหล่านั้นในวันวิสาขาปูรมีวันเพ็ญเดือนหกพระองค์ก็สเสวยเข้ามาทุลายญาติที่ทิดารุจานันทเศรษฐีเมืองอุเชนีนิคมเนี่ยถวายแล้วพระองค์พักกลางพัก อ, อยู่ในช่วงกลางวันเนี่ยนะเข้าสมาบัติเป็นต้นนะสารวันเวลาเย็นก็รับญา8แปดกลามที่สุมิตาอาชีวกถวายสเสด็จเข้าไปยังโรพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าสารละต้นช้างนาว พรงทำประทักษิณโพเพึกนั้นทรงล่าสันทัดยากว้างสามสิบแปดศอกทรงนั่งขัดสมาธิอธิษฐานความเพียรมีองค์สี่กำจัดกองกำลังมารพร้อมทั้งตัวมาปรปฐมมยามแห่งราตรีละลึก ช, ชาติได้มัชิมยามแห่งราตรีก็ชำระทิพจักสุให้บริสุทธิ์ยามที่สามพิจารณาปัจจยการโดยการออกจาก จะทุทชานที่เกิดจากการเจริญอาณาปานสติเป็นอารมณ์แล้วอย่างลงในขัน5พี่ารณาเห็นลักษณะ50ท้วนด้วยสา ม, มารถความเกิดโดยอาการ25ความเสื่อมโดยอาการ25เจริญวิปัสนาจนถึงโคตรภูยานแทงตลอดพระพุทธคุณทั้งสิ้นด้วยอริยมรรคเปล่งพระอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประพฤติมาว่าอเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอ น, นิภิสังเป็นต้น ได้ทราบว่าครั้งนั้นฝนดอกประทุมก็ตกลงมาประหนึ่งประทับทั่ว เ, เหมือนกับประดับทั่วทั้งภายในหมื่นจักรวาล น, น, นะทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นดอกบัวไปหมดเลยฝนดอกบัวก็ตกลงลงมาเนี่ยนะก็ แ, แสดงว่าทําบุญด้วยดอกบัวไว้มากนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระนามตามดอกบัวเลยนะเพราะแสดงว่ามีปกติทําบุญด้วยดอกบัวเนี่ยนะบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อ น, อนไว้ด้วยดอกบัวเป็นจํานวนมาก มันสรุปเป็นคาถาที่พระองค์ตรัสให้เล่าให้ภาษาริบุตรฟังต่อหน้าสมาคมพระญาติของพระองค์ว่าต่อจากสมัยของพระนาราถพุทธเจ้าพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าพระชินเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวเปรียบดังสาครที่ไม่กระเพื่อมฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้อุบัติในกับใดกับนั้นเป็นมันดกมูชนผู้สั่งสมกุศลไว้แล้วก็เกิดในกับนั้น คำว่ามันดกับนี่หมายความว่ากับใดที่มีพระพุทธเจ้าอุบัตสององค์กับนั้นชื่อว่ามันดกับกับที่มีพระพุทธเจ้าสององค์อะนะชื่อว่ามันดกับแต่ถ้าตามคำภีแล้วกับเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดองค์เดียวเท่านั้นเองบอกว่าความจริงกับมีอยู่สองประเภทเนี่ยนะมีเรียกว่าสุญยะกับกับอสุญยากับกับศูนย์กับกับที่ไม่ศูนย์สุญญะแล้วศูนย์มันว่าง ว่างก็แล้ ว, ว่าไม่มีแต่กลับมามีแต่กลับเนี่ยศูนย์ศูนย์จากใครศูนย์จะกลับแปล ว, ว่าศูนย์จากพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดเลยศูนย์จะกลับกลับที่ไม่ศูนย์เป็นกลับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น